ที่น้องลูกหลานก็คงจะมาช่วยๆกันเนอะทั้งพระเนตรทั้งพระก็ช่วยๆกันดูเอเป็นหัวหน้าเอาเป็นพระเป็นหัวหน้าเอาเป็นผู้นำ เ, เก็บยังไงลื้อยังไงอตลอดถึงเออขยงขยะอา่าทหาว่าขอร้องเด็กนักเรียนที่เป็นนักเรียนใหญ่เราข็ขอไปก็ได้ให้มาเก็บอ่พวกขยะใส่ถุง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 เนี่ข้าวไปเจ้าเออถึงจะทำดีผ่านไปแล้วก็เถอะนะตายแน่ๆ น, นะอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละพวกเราข้าวไปเจ้าเองอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะือข้าไปเจ้านะอันนี้ก็โอปัญายิ่โกมองมองดูตนเองจากนั้นก็ให้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติพยายามเร่งความภาคเพียรเพราะอยู่เราอยู่ด้ความสงบ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 พอได้อายุอดีใจพอได้อายุตามไม่จริงไอความแก่เขาแก่เข้าไปหาหลักป่าหานเหมือนกับตำรวจเขาจูงนักโทษเขาไปหาหลักป่าหานอย่างนั้นน่แหอะพอไปถึงที่ไหนแล้วอจมวักหลักกิโลที่ร้อ ย, อยนี่แนละจูงมาถึงที่ไหนแล้ว ถึง80แล้วหลักกิโลที่80แล้วโอ้ดีอกดีใจเอาเลี้ยงฉลองเอาเหล้ามากินเพราะว่าเราเดินเขาจูงของเราพยามจุราช์เขาลากมาถึง80เราแก่แล้วเขาแก่มาถึงหอดถึง80แล้วถึง85โอ้ถึง85มาเลี้ยงฉลองกันอีกแต่ตามไม่จริงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น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 มันจะผุพังยังไงก็ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยไม่แก่นะลูกหลานคัดศรัทธาญาติโยมนะแต่ร่างกายเนี่ยมันแก่เพราะฉะนั้นอีกไม่นานเนี่ยจะต้องทิ้งจะต้องทิ้งร่างกายตอนนี้พอมันแก่มันหมดสภาพนะในเมื่อมันหมดสภาพก็ต้องออกไปหาร่างกายอื่นเอกฮก่อนที่จะออกไปหาร่างกายอื่นนี่แหละเราได้เตรียมเงินในกระเป๋าไว้หลายอย่าง จุดนั่นแหะเป็นจุดที่สําคัญในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมเงินใส่กระเป๋าเอาไว้พอออกจากร่างนี้ไปแล้วนะ่ะเ อ, อพอเราไม่เชื่ออีกต่างหากตายแล้วมันไม่ศูญเน็ตพอตายเข้าไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์สาราสิงห์ไปเกิดเป็นเ อ, อสัตว์ที่ร้ฉันลิงข้างหวังชนีไปเกิดเป็นได้ทั้งหมดเ อ, อขนาดพระปฏิบัติแท้ๆหนะ่อ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 อาต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในที่นี้นะ